จิตตาคารวักวักว่าด้วยอาคารอันวิจิตคำอธิบายท้ายสิขาบทว่าจิตตาคารเป็นที่เล่นที่เรื่นรมของมนุษย์ทั้งหลายสิขาบทที่หนึ่งจิตตาคารวักปาจิตติยะกันห้ามไปดูพระราชวังและอาคารอันวิจิตเป็นต้นมนุษย์ทั้งหลายพากันไปดูอาคารอันวิจิตด้วยลวดลาย ในอุทยานพระเจ้าประเสนที่โคศ น, นางภิกษุณีพวกหกก็พากันไปดูบ้างมีผู้ติดเตียนว่าทำตนเหมือนข้ารือหัตพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้ไปดูพระราชวังก็ตามอาคารอันวิจิตก็ตามป่าก็ตามสวนก็ตามสระน้าก็ตาม สิกขาบทที่สองจิตตาคารวักปาจิตติยะกันห้ามใช้อาสันธิและบรลลังนางภิกษุณีใช้อาสันธิคือม้ายาวบ้างบัลลังคือเก้าอี้นวมบุด้วยขนสัตว์บ้างมีผู้ติดเตียนว่าใช้ของอย่างเขาฤหัสพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ใช้อาสันธิและบรลลัง สำหรับอาสันทิถ้าตัดเท้าออกและบรรลังหรือนวมขนสัตว์ออกก็ใช้ได้ไม่เป็นอาบัตสิกขาบทที่สจิตตาคารวักปาจิตติยะกันห้ามกรอได้นางภิกษุณีพวกหกกรอได้มีผู้ติดเตียนว่าทำการเหมือนขรหัดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตปาจิตตี แกนางภิกษุณีผู้กรอได้สิกขาบทที่สจิตตาคารวักปาจิตติยะกันห้ามรับใช้คฤหัตนางภิกษุณีทําการขวนขวายหรือรับใช้เพื่อคฤหัตมีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้รับใช้คฤหัต เช่นหุงข้าวหรือซักผ้าให้เขาสิกขาบทที่ห้าจิตตาคารวักปาจิตติยากันห้ามรับปากแล้วไม่ระ ง, งับอธิกรณ์นางทุนลนันทาภิกษุณีรับปากว่าจะระ ง, งับอธิกรณ์แล้วไม่ระ ง, งับไม่ขวนขวายเพื่อให้ระ ง, งับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตติ แกนางภิกษุณีผู้ทำเช่นนั้นในเมื่อไม่มีเหตุขัดข้องสิขาบทที่6จิตตาคารวักปาจิตติยากันห้ามให้ของกินแกข้ารือหัสเป็นต้นด้วยมือนางทุลลนันทาภิกษุณีให้ของเคี้ยวของบริโภคด้วยมือของตนแก่นักแสดงละครบ้างนักป้อนบ้างนักกระโดดบ้าง นักเล่นกลบ้างนักเล่นกลองบ้างเพื่อให้เขาสรนเสริญตนในที่ชุมนุมชนพวกนั้นก็พากันสันเสริญต่างๆมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติศิกขาบทปรับอาบัติปาจิตเตี๋ยแก่นางภิกษุณีผู้ให้ของเคี้ยวของบริโภคด้วยมือของตนแก่เขาฤๅษีก็ตามแก่นักบวชนอกศาสนาไม่ว่าจะชายหรือหญิงก็ตาม สิกขาบทที่7จิตตาคารวักปาจิตติยักกันห้ามใช้ผ้านุ่งสำหรับผู้มีประจำเดือนเกินสามวันดางทุนลนันทาภิกษุณีใช้ผ้านุ่งสำหรับผู้มีประจำเดือนแล้วไม่สละคือไม่ซักแล้วเฉลี่ยให้ผู้อื่นใช้บ้างซึ่งในสมัยนั้นผ้าหายากจึงมีผู้ถวายไว้เป็นของกลางสำหรับใช้เฉพาะผู้มีประจำเดือน เมื่อใช้แล้วต้องซักทำความสะอาดแล้วให้ผู้อื่นใช้บ้างแต่เมื่อไม่ซักไม่ทำความสะอาดและไม่ให้ผู้อื่นใช้เลยทำให้ภิกษุณีอื่นที่มีประจำเดือนก็ไม่ได้ใช้ไปด้วยเมื่อภิกษุณีอื่นที่มีประจำเดือนไม่ได้ใช้มีผู้ติดเตียนปราผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้ใช้สาหรับผู้มีประจาเดือนครบสามวันแล้วไม่สละ แต่ถ้ามีความจำเป็นเช่นผ้าอื่นถูกจนลักไปหรือหายหรือไม่มีนางภิกษุณีผู้มีประจำเดือนไม่เป็นอาบัติสิกขาบทที่8จิตตาคารวัคปาจิตติยากันห้ามครอบครองที่อยู่เป็นการประจำนางทุนลนันทาภิกษุณีไม่สละที่อยู่หลีกไปสู่ที่จาริก ต่อมาที่อยู่ถูกไฟไหม้ไม่มีใครกล้าช่วยคนของออกด้วยเกรงว่าจะถูกหาว่าทำให้ของหายนางทุนลนันทาภิกษุณีกลับมาถามทราบความกลับยกโทษติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ไม่สละที่อยู่หลีกไปสู่ที่จาริก โดยสิ่งที่ควรกระทําและไม่อาบัดคือเมื่อจะเดินทางไปที่อื่นต้องมอบที่อยู่ให้นางภิกษุณีหรือนางสิกขามนาหรือสามเณรีสิกขาบทที่ 9. จิตตาคาวรวักปาจิตติยกันห้ามเรียนติรชานวิชานางภิกษุณีพวกหเเรียนติรชานวิชาคือวิชาภายนอกที่ไม่มีประโยชน์ มีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้เรียนติรัชานวิชาสิกขาบทที่สิบจิตตาคารวักปาจิตติยกันห้ามสอนติรัชานวิชานางภิกษุณีพวกหกสอนติรัชานวิชามีผู้ติเตียน